ใจที่ไม่สงบ ก, ก็เพราะมีสิ่งรบ ก, กวนอยู่เสมอความรบ ก, กวนอยู่เสมออ้าเป็นน้ําก็ต้องขุน่นหากวนมากาเป็นน้ําก็ขุนเป็นตรงเป็นโคลนไปเลยะจะอาบดื่มใช้ซอยอะไรก็ไม่ควรเท่านั้นเพราะมันขุนมากจนเป็นตรงเป็นโคลน จิตใจท pues ี่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ขนาดที่ถูกรบกวนจนกระทั่งตึงตมเป็นโคลนอยู่ภายในจิตต้องแสดงความรุ่มร้อนให้เจ้าของปรากฏเป็นความทุกข์ความลําบากเราจะเอาความทุกข์ความลําบากนี้ไปใช้ประโยชน์อะไร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 เป็นเดียวกับน้ำที่ไม่มีอะไรววรบกวนตะกอนแม้จะมีก็นอนก้นไปหมดเพราะน้ำนิ่งไม่ถูกววรบกวนบ่อยๆพระพุธทธเจ้าผู้ประธานพระโอวาทไว้ทรงถือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใจคือเป็นอันดับแรก เรียนยานดูสัตว์วะสัตวโลกในขณะที่กับสรูใหม่ๆก็เรียเ ย, ยานดูจิตใจไม่ใช่เรียงยานดูความรู้วิชาฐานะสูงต่ำความมั่งมีดีจนของสัตว์โลกทั่วไปแต่ทรงเรียนยานถึงจิตใจเป็นสำคัญ อย่งผู้ควรจะได้รับมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็วและจะไมมีอันตรายมาทำลายเสียก็ได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือผู้มีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้และไม่มีอันตรายอะไร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 แต่ยาแต่หมอยังต้องเสียมต้องยังต้องรักษามายาท ต, ต้องให้ออกเซิเจนอะไรไปพอถึงการนี่เป็นมายาทของมนุษย์เต่าที่ไทนสว่วนพระพุทธเจ้าไม่สงสนพระไทยนี่อาจจะพูดบ้างก็เพียงไว้กิริยาของโลกที่สมมุติของโลกเท่านั้นแต่สำหรับพระไทยจะไม่มีความมุ่งมั่นต่อรายเช่นนั้นเลย ท่าเรียกว่าลายปะทะปะม r a m a หรือประเภท ICU ไม่มีทางแก้ไขรอเวลาอยู่เพียงเท่านั้นมีประเภทนี้ประเภทเ ท, ที่มืดบอดที่สุดท่องข้อทรงทราบนี่ทราบที่จิตใจนั่นเองไม่ทราบที่ไหนเพราะมุ่งต่อจิตใจเป็นสําคัญศาสนาวางลงที่จิตใจของมนุษย์เป็นสําคัญยิ่งกว่าสิ่งใด ทั้งหมดในโลกนี้ประเภทที่เป็นอุคติตัญญูที่จะรู้ทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ประทานทำให้เพียงย่อๆเท่านั้นอันนี้พระองค์ก็สงทราบและลองลงมาวิปจิตันญูอันนี้ก็สงทราบและทรงสั่งสอนด้วยธรรมะที่ควรแก่อุปนิสัยของรายนั้ น, น, น เนยะคือพูดจะต้องได้สั่งสอนหลายครั้งหลายหนคือพอเนี่ยนำสั่งสอนได้พอที่จะนําไปได้ฉุดลากไปได้พูดเง่ายเนยะก็แปลว่าพอที่จะนําไปได้ถูไถไปได้ท่า น, นเองไม่เหมือนประเภทที่ปัฏะปรามะคือนั่นนั่นหมดหมดหลังถึงจะลากไปไหนก็เหมือนกับลากคนตายไม่มีความรู้สึกอะไรเลย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 เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนนายซะก่อนสอนหัวหน้าให้เข้าอกเข้าใจแล้วไปอบรมลูกน้องอืเมื่อหัวหน้าเข้าใจแล้วก็ไปอบรมสั่งสอนลูกน้องให้ดําเนินตามนี่เมื่อสั่งสอนใจให้เข้าเข้าใจแล้วซึ่งเป็นหัวหน้านิสั่งสอนใจผู้เป็นหัวหน้าให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็มาระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเกี่ยวกับเรื่องความประพปรุให้ดําเนินไป ตามล่องรอยแห่งธรรมที่ท่านพงสั่งสอนไว้ถือว่าดำเนินถูกต้องเพราะการอบรมทางด้านจิตใจได้รับมาพอสมควราศาสนธรรมจึงไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเราทุกคนมีจิตมีความรู้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 มันเหมือนจะเฉยแตันไม่ตายนัก <ะ S 2> คือผู้รู้อันนี้มันเป็นอย่างมันละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วฝันเรื่องอะไรก็พอตื่นไม่มาเขาพูดได้ถ้าสัญญาทําหน้าที่ให้คือความจํานั่นอ่ะมันทําหน้าที่ให้แล้วเขาพูดได้แต่สัญญาคือความจําไม่อาจทําหน้าที่ให้ได้คือมันหลงลืมไปเสียสิ่งที่เป็นไปแล้วนั้นมันก็เป็นไป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 ก็ไม่มีฝันนี่ชื่อว่าเข้าสู่พลังแห่งความหลับคือพลังแห่งความหลับของจิตนี้ม่มีถ้าหลับสนิทก็ชื่อว่าเข้าสู่พวังแห่งความหลับอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีฝันอะไรตื่นขึ้นมาร่างกายก็มีกําลังจิตใจก็สดใสไม่มีความทุกข์ความร้อนอะไรกําลังใจก็หมีถ้าหลับไปแล้วฝันไปต่างๆ คือกิจไม่ได้เข้าสูา่ภาวะแห่งความความหลับอย่างสนิทออกเที่ยวเล่ยๆล่อนๆไปนี่หมายถึงเรื่งความฝันความรู้ลับก็รู้ตื่นก็รู้เป็นแต่เพียงว่าสติจะตามทราบความรู้นั้นหรือไม่นี่สําคัญถ้ามีสติก็ตามทราบความรู้อันนั้นโดยลําดับจะแยกไปรู้กับสิ่งใดก็ทราบ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 จิตนี้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาแล้วจะไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกแล้วจะไม่มีการไข้ควรอะไรลึกตื้นอยากละเอียดอะไรได้เลยถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยา่นั้นมีแต่ความรู้โดยลำพังก็เป็นอย่างที่ว่านี่เหมือนอย่างคนบ้านี่พอมีสติขึ้นมาคนบ้าก็ค่อยหายบ้าพรามีสติรับทราบว่าผิดหรือถูกประการใด ความรู้ที่ว่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความความรู้ของสามัญชนธรรมดาและยังลดกว่าความรู้ของสามัญชนลงไปคือไม่มีสติคอยกำกับรักษาจึงได้เป็นความรู้ประเภทบ้าคือไม่มีอะไรปกครองไม่มีอะไรรักษาไม่มีอะไรรับผิดชอบเลยมีแต่ความรู้เลยลำพังจึงเป็นเช่นนั้น ถ้ามีสติสตางเป็นเครื่องกากับรักษาอยู่แล้วความรู้นั้นจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้พ่อมีผู้คอยชักจูงมีผู้คอยรังค อ, คอยเร่งคอยรังเหมือนกับรถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรคมีทั้งพวงมาลัยจะหมุนไปทางไหนก็ได้ด้วยสติด้วยปัญญาที่ควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลา ส่วจิตของท่านผู้ถึงความบุรุษพ้นแล้วนั้นไม่ใช่จิตประเภทนี้ความรู้เฉยๆนั้นไม่มีความรู้เฉยๆที่ว่ามันมีจิเลแสงนั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแต่ว่าท่านมีสติหรือท่านไม่มีสติท่านก็ไม่เสียสันท่านไม่สําคัญ ลางใหญ่ก็คือบริสุทธ์ตว้วนแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้ น, นจิตสามัญชนทั่วไปจริงจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาถึงจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรกิริยาแห่งการแสดงออกท้ามีสติมีปัญญาคามควบคุมอยู่ก็น่าดูสวยงามพูดก็มีเหตุมีผล ทำอะไรก็มีเหตุมีผลหลักจิงขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นสำคัญนี่เรานับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธคาว่าพุทธาหมายความว่าอะไรพุทธะที่พุทธังสนางลัชามีนี่เป็นพุทธะอันเลิศโลกคือพุทธะที่บริสุทธิ์พุทธะที่ประเสริฐ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 ถ้ามีสติรัางแล้วมันก็พอทราบได้และย้งยั้งตัวได้ในปัจจุบันวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีาศาสนาอยู่ภายในใจจะทำหน้าที่การงานอะไรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ค่อยผิดพลาดหรือเรื่องราวจะเกิดขึ้นภายในจิตใจ ก็มีสติปัญญากันกรองพินิพิจารณาพอทราบในทางถูกและผิดและพอพยายามแก้ไขดัดแปลงตนหรือหาเอาตัวรอดไปได้ปุนณ์ยังไงธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำคนให้ล่มจมแต่เป็นสิ่งที่จะถุดลากคนในเมื่อจะล่มจมหรือในเมื่อจะติดอุปสรรคอะไรโดยความทุกข์ความลาบากประการใด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 และเป็นนักท่องเที่ยวในวัดตัางหลยแต่านานขนาดไหนก็คือผู้นี้จะสิ้นสุดวิมุตต์ตัดเรื่องความสมมุติคือเกิดคือตายทั้งหมดออกได้ก็เพราะจิตดวงนี้ได้รับการอบรมซากฟอกเชื่อที่เป็นภัยที่เป็นเหตุให้เกิดให้ตายอยู่ภายในยจิตนั้นออกได้โดยไม่เหลือ ก, ก็หมดเหตุหมดปัจจัยพวนี้เป็นอันว่าหมดละคที่ว่านักท่องเที่ยวในเวลาที่มีกิเลสอยู่ภายในจิตใ จ, จนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะไปจะเกิดเรื่องต่างๆภายในจิตใจเป็นขอให้ทำความระมัดระวัง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 ว่าศาสนาเป็นเครื่องกดทวงความจเจริญของโลกก็คือผู้ที่ว่านั่นเองเป็นผู้กดทวงตัวเองและความจเจริญของโลกไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้กดทวงโลกทำไม่จะทํากดทวงโลกพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้กดทวงโล ก, ไ ม, ก, โลกไม่เป็นภัยต่อโลกเมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นภัยต่อโลกแล้วจะว่าเป็น สิงที่โลคน่ากลัวได้อย่างไงจะกดท่วงโลกได้อย่างไรจะทำความทุกข์ร้อนให้ร้อนให้แก่โลกได้อย่างไงความสำคัญความคิดเช่นนั้นของบุคคลผู้นั้นแหละคือความเป็นภัยแท้คนใดที่หลงผิดไปตามนั้นคนนั้นก็ต้องเป็นภัยไปและมีความเชื่อถือในคาเช่นนั้นของบุคคลที่เป็นภัยนั้นก็ย่อมมีความระบาดไปเรื่อยๆ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 มันนั่งมีความสําคัญขึ้นภายในจิตใจอันเป็นตัวภัยเพราะสติปัญญาไม่มียึดถือสิ่งต่างๆรักก็เป็นภัยเบียดก็เป็นภัยโกรธก็เป็นไัยชังก็เป็นไพลอะไรๆเป็นภัยหมดเพราะจิตเป็นตัวภัยเผารนตัวเองอยู่ตลอดเวลาผู้นี้แหละคือผู้เป็นภัยสิ่งนนี้เป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องต่ําช้าเหนือสามเป็นไฟเผาจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนอยู่เสมอ อันนี้แลคือตัวภยัยฐานธรรมเป็นซึ่งเป็นเครื่องแก้สิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายดังกล่าวมานี้จะเป็นภัยได้อย่างไรหากว่าเป็นภัยแล้วทําจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแก้ได้แลโดยสิ้นเชิงไม่มีจิมในเหลือในพระทยัยขึ้นชื่อว่าภัยดังที่กล่าวมานี้จนเป็นผู้บริสุทธิ์ยมุตพุทโธทั้งโดวงนั่เรียกว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐ ทำของพระอุะองค์ก็เหมือนกันทือว่าทำโมปดีโปความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตทั้งโคก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความสว่างกระจ่างแจ้งความบริสุทธิ์บิมุตมีแต่ผู้ปราศจากภัยแล้วทั้งหมดนำาศาสนาอัาศนศาสนธรรมที่ปราศจากภัยที่บริสุทธิ์นั้นมาสอนโลกทําให้ศาสนาจะเป็นเครื่องกดทวงโลกเพื <c oughs> ่อพายต่อโลกมีอย่างที่ไหลที่ไหนนอกจากโลกผู้สําคัญ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 เป็นเหตุที่ให้เกิดความกระทบกระเทือนคนอื่นได้ตามแต่อุบายวิธีของที่ตนเห็นว่าชอบธรทำคําว่าชอบธทำของผู้นี้คือชอบธทำของกิเลสมาตนจะได้รับความดีความเด่นความมั่งมีสีสุขจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมากน้อยเพียงไรด้วยการกระทําเช่นนั้นเป็นที่พอใจในการที่จะต้องทำํำแล้วโลกก็ร้อนเพราะเห็นนี้เองเพราะจิตใจของใครๆก็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 เลี่ยงตัวไปต่างๆนานาดังที่เป็นอยู่เวลานี้หรือถึ่เป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือไม่ยอมรับความจริงไปฉกไปลักเขาม า, าอะไรก็ว่าเขาหาเขาหาเห็นดูสิคนเราถ้ายอมรับความจริงแนละ้วจะว่าเขาหาอะไรไอคุกติดตารางอยู่นี่เราไปถามเลยพว่านี่เป็นอะไรถึงต้องมาติดคุกติดตารางเขาหาว่าผมลักควายเป็นต้น แล้วรักเขาจริงๆรหรือรักจริงๆเนี่ย่รักจริงๆทําไมว่าเขาหาก็คือความไม่ยอมรับความจริงความเห็นแก่ตัวนั่นเองอเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจกลเลตเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องศพขปตกเป็นเรื่องกดทวงเป็นเรื่องทําลายจิตใจแล้วก็มัดข้องกันละกันมีมากน้อยเป็นการทํําทาให้กระทบกระเทือนและเป็นความคิดหายแก่ผู้อื่นได้อันนี้เหรอ ที่โลกจเจริญด้วยอันนี้เหรืออันนี้หรือเรื่องไม่กดถ่วงกันแลกกันไม่กดถ่วงโลกไม่กดท่วงโลกยังไงมันร้อนเป็นพื้นเป็นไฟยังไม่เช่ามันกดถ่วงกันอยู่เหลยนั่นแล้วศาสนามีบทใดบาทใดที่สอนโลกให้มีความเดียดเบียนเกิดความเดือดร้อนบุญมายกันอย่างนี้ไม่ปรากฏเลยเห็ได้ศาสนาจริงๆ เ, เป็นเครื่องกดถ่วงโลกได้ล่ะนอกจากตัวเองกดถ่วงตัวเองมีเท่านั้นทีนี้เรานำอันนี้มาปฏิบัติในจใิตใจของเรา โอบนญายิโกการแสดงธรรมนี้มีทั้งข้างนอกข้างในข้อตั้มันก็คือว่าฉันน้อมเข้ามาเป็นสาระสำหรับเราแยกข้างนอกให้ดูซะก่อนข้างในของเราเวลานี้มีอะไรกดท่วงกิดใจเราถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรทำไม่เคยกดท่วงขนาดใดที่สติปัญญาปราศจากใจขณะนั้นแหละเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถูกกดท่วงย่ำยีด้วยอาการต่างๆจากกิเลสทั้งหลาย ถ้าขณะใดมีสติมีปัญญาแม้จะไม่เพียงพอต้านกับความต้านทานหรือปราบสิ่งนั้นให้หมดแต่ก็ตามเรายังพอยับยั้งได้ไม่ทุกถึงขนาดหรือไม่ทุกเต็มที่เต็มแดงยังพอลดหย่อนผ่อนผันกันบ้างยิ่งเรามีสติปัญญาพอตัวด้วยแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเป็นค่าศึกต่อใจได้เลยนี่แหละทำคลองใจเป็นอย่างนี้จเป็นอิสระได้เพราะทำครองใจ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 เราจะให้มันกล่อมถ้าหลับทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันเอาให้มันมีเวลาตื่นบ้างแล้วมีเวลาต่อสู้เขาเขาบ้างถ้าหามีการต่อสู้กันแล้วคําว่าแพ้ชนะก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ราบเชื่อทีเดียวคําว่าราบทีเดียวคือหมอบราบเชืทีเดียวเพราะไม่มีการทางต่อสู้มีแต่หมอบราบชเววาชื่อไปหมดที่เห็นว่าไงเชื่อไปหมดเชื่อไปหมดทามีการต่อสู้ก็มี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 หาเต็มที่จริงๆก็คือจิตบริสุทธิ์แล้วแน่ตลอดเลยล่ะไม่สงสัยไม่อยากกับอะไรทางนั้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากศึกษากับใครๆว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากรู้นั่นอยากเห็นนี้เพื่อนั้นเพื่อนี้อีกต่อไปไม่มีรู้จัทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจเต็มภูมิความรู้ความเห็นแล้วก็ไม่อยากความไม่อยากความไม่ยิ้มโหยไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็แสนสบาย ขอให้พากันนำธรรมะนี้ไปปฏิบัติรักษาตนอยู่สฐานที่ใดไปสฐานที่ใดก็ตามให้ทราบเสมอว่าความผิดถูกั่วดีนั้นอยู่กับเราการแก้ไขสิ่งเหล่านี้หรือการส่งเสริมสิ่งที่ควรส่งเสริมการแก้ไขดัดแปลงหรือชำระสักาาสิ่งที่ควรธรระก็อยู่ที่ตัวของเราไปไหนให้มีวดัดจะให้ตัดจากวาดัด อย่างท่านอาจารย์ฟันเคยว่าวัดที่นั่นวัดที่นี่นั่นวัดอยู่ภายในใจน่ะท่านผู้กระทนมีวัดอยู่ภายในจิตใจเสมอวัดแตปฏิบัติมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรไข่ควรดูเหตุดูผลนั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆนั่นใครจะว่าบ้าก็ตามว่าบอกก็ตามเเข้อสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบเรานี่คือเราเองอย่าเป็นบ้าก็แล้วกันถ้าเราไม่เป็นบ้าเราเป็นร้อยๆยคนจะมาว่าก็ตามมันมันมันบ้าทั้งนั้นอ่ะคนร้อยคนนั้นร้อยร้อยคนนั่นอ่ะ เาไม่มา้าใช่คนเดียวเราก็สบายอันเนี้เป็นจุดสําคัญพากันนาอันนี้ไปประพฤติปฏิบัติเวลาถูกใครว่าอะไรอไรก็ให้คํานึงถึงพระพุทธเจ้าจอย่าไปบ่นโกรธบ่นวิ่งห้เขาไม่พอใจครับเข า, เขาความโกรธให้เขามันก็คือไฟเผาตัวเองความไม่พอใจในเขาก็คือไฟเผาตัวเองไม่ใช่เผาที่ไหนมันเผาที่นี่ก่อนมันจึงไปเผาที่อื่นสามารถระวังไฟกองนี้อย่าให้เกิด แล้วก็จะเป็นสุขโตนั่งรถนั่งลาบแลว้วก็สุขโตไปเรื่อยนั่งอยู่ในบ้านก็สุขโตอยู่ก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายหาละแนแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร